พระตรายปิดกฉบับประชาชนเล่มที่ส3บาระสูตรที่8อภยราชกุมารสูตรสูตรว่าด้วยอภยราชกุมารสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับณเวลุวนาวรามใกล้กรุงราชฤิอภยราชกุมารซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าพิมพิสารไปหานิครนธนตบุตรก็ได้รับชักชวนเสี่ยมสอน ให้ไปยกวาทะพระผู้มีพระภาคเกี่ยวกับการกล่าววาจาซึ่งนิคร น, นาตบุตรกล่าวว่าถ้าถามปัญหาสองเงื่อนอย่างนี้แล้วพระสมณะโคดมจะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกคล้ายมีกระจับเหล็กติดอยู่ในคอฉะ น, นั้นคือให้ถามว่าประตถาคตกล่าววาจาที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนอื่นหรือไม่ ถ้าตอบว่ากล่าวก็จะย้อนได้ว่าท่านกับปู่ตุชนจะต่างอะไรกันเพราะแม้ปุ่ตุชนก็กล่าววาจาเช่นนั้นถ้าตอบว่าไม่กล่าวก็จะย้อนได้ว่าเหตุไนจึงว่ากล่าวพระเทวทัตอย่างรุนแรงจนพระเทวทัตโกรธไม่พอใจอภยาราชกุมารไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค มองดูดวงอาทิตย์เห็นยังไม่ใช่การอันสมควรที่จะยกวาทะจึงนิมนต์พระผู้มีพระภาคให้ไปฉันในวันรุ่งขึ้นโดยมีพระองค์เองเป็นที่สี่คือมีภิกษุอื่นด้วยอีกสามรูปเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์และเสด็จไปฉันเสร็จแล้วอภิยาราชกุมารก็กราบทูลถามขึ้นว่าพระตถาคตตรัตวาจะอันไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่พอใจของคนอื่นหรือไม่ตรัสตอบว่าในข้อนี้ไม่ใช่ปัญหาที่พึงตอบโดยแง่เดียวคือตรัสทั้งสองอย่างโดยควรแก่เหตุพอตรัสตอบเท่านี้อภิยาราชกุมารก็กราบทูลว่าในข้อนี้พวกนิครนชิบหายแล้วพร้อมทั้งเล่าความจริงที่นิครนธนาตบุตรสอนให้มาไต่ถามทุกประการ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามว่าเด็กที่อมเอาไม้หรือกระเบื้องเข้าไปในปากเพราะความพลั้งเผลอของท่านหรือแม่นมท่านจะทำอย่างไรกราบทูลตอบว่าถ้านำออกในเบื้องแรกไม่ได้ก็ต้องประคองจับศีรษะด้วยมือซ้ายหงอนิ้วนำของออกมาด้วยมือขวาแม้จะพร้อมด้วยโลหิต ด, ด้วยเพราะมีความอนุเคราะห์ในเด็ก Us, พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกันทราบว่าวาจาใดไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์หรือจริงแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนอื่นก็ไม่กล่าววาจานั้นคำใดจริงแท้ประกอบด้วยประโยชน์และไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนอื่น ตถาคตย่อมรู้การคือรู้เวลาที่จะกล่าววาจานั้นคำใดไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์หรือจริงแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์และเป็นที่รักเป็นที่พอใจของคนอื่นตถาคตก็ไม่กล่าววาจานั้นคำใดจริงแท้ประกอบด้วยประโยชน์และเป็นที่รักเป็นที่พอใจของคนอื่น ตถาคตย่อมรู้การที่จะกล่าววาจานั้นทั้งนี้เพราะตถาคตมีความอนุเคราะห์ในสัตว์ทั้งหลายอภยาราชกุมารกราบทูลถามว่ามีผู้แต่งปัญหามาทูลถามพระผู้มีพระภาคจะต้องทรงคิดก่อนหรือไม่ว่าถ้าเขาถามอย่างนี้จะตรัสตอบอย่างนี้ หรือว่าเรื่องนั้นแจมแจ้งแกพระตถาคตโดยฐานะทีเดียวตรัสย้อนถามว่าท่านเป็นผู้ฉลาดในส่วนประกอบน้อยใหญ่ของรถใช่หรือไม่กราบทูลว่าฉลาดในส่วนประกอบของรถตรัสถามต่อไปว่าเมื่อมีผู้มาถามว่านี้เป็นส่วนประกอบน้อยใหญ่อะไรของรถท่านจะต้องคิดก่อนหรือไม่ว่าถ้าเขาถามอย่างนี้จะตอบอย่างนี้ หรือว่าเรื่องนั้นแจมแจ้งแก่ท่านโดยฐานะทีเดียวปราบทูลตอบว่าข้าพระองค์เป็นช่างทารถรู้เจนจบในส่วนประกอบน้อยใหญ่ของรถเรื่องนั้นแจมแจ้งแก่ข้าพระองค์โดยฐานะทีเดียวจึงตรัสว่าแม้พระองค์ก็ฉันนั้นทรงรู้แจ้งแทงตลอดธรรมธาตุแล้วเรื่องนั้นจึงแจมแจ้งแก่พระองค์โดยฐานะทีเดียว อพยาราชกุมารกราบทูลสันเริญพระธรรมเทศนาแสดงพระองค์เป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดพระชนชีพ